อะไรน่ากลัวที่สุดสิ่งที่เรากลัวที่สุดเนี่ยอะไรโรแลนด์ Roland ก็บอกว่าสงครามเขามั้บ <c oughs> ของเรานี่กลัวอะไรที่สุดในโลกเนี่ไ <c oughs> หนนะทังสารวัตรอยู่ที่ไหนเราเคยกลัวความคิดเราเหรอไหนนเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับความคิดเลยนะ คิดดูว่าขนาดความคิดที่เป็นบุญเนะยังให้ผลเป็นแบบนี้เลยแบบทุกวันนี้เป็นมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณแบบมนุษย์เนี่ยนี่เป็นผลของบุญนะยความคิดบางอย่างมันเป็นเหตุแห่งอบายเพราะสังสารวัตเนี่ยนะต้นตอแห่งสังสารวัตจริงๆก็อยู่ที่ความคิดนั่นแหลนะอวิชาเกิดที่ไหนก็เกิดที่ความคิด กรรมนี่เกิดที่ไหนก็เกิดที่ความคิดอุปาทานหรือกิเลสทั้งหลายเกิดที่ไหนก็เกิดร่วมกับความคิดเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยนะมันเป็นรังของอกุศลทุกชนิดดังนั้นความคิดจึงน่ากลัวที่สุดแต่ถ้าบุคคลผู้ยังยินดีในความคิดคนเหล่านั้นจะละอกุศลไม่ได้ดังนั้นะจะละอกุศลไม่ได้ พระความคิดนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ามันเป็นมานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันความคิดนี่เป็นมานยเป็นผู้ฆ่าเป็นเหมือนกับมายากลนั่นแหละแต่ก็อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่เขาพระองค์บอกว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าหากว่าใจเศร้าหมองที่ถูกอกุศลมันประทุษร้ายอากุศล น, นี้ ครอบงำย่ำ ย, ยีนะด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะหรือมิจฉาทิฏฐิต่างๆกายกรรมวจีกรรมบาปอากุศลก็จะระดมติดตามกันมาอีกเป็นพรู่วันทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ฝึกความคิดได้ประสบความสำเร็จสังสารวัตรนี้ก็เป็นของที่ไม่น่ากลัวสำหรับเขาแหละแต่ว่าสังสารวัตรนี้ของคนพานคนพานก็คือคนที่ถูกอกุศลครอบงาจิตนั่นแหละ อันนี้น่ากลัวและของเราก็ยังพาระธรรมมาอยู่จริงว่าข่าโลภะเกิดเมื่อไหร่นะภาละธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ปันดิตาธรรมมานะกุศ ล, ลจิตทั้งหมดเป็นบันดิตาธรร ม, มาอากุศลเกิดเมื่อไหร่เป็นภาระธรรมมาเป็นกันหะธรรมมาเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วนะไม่ดำแต่จิตหน้ายังดาเลยนะถ้าโศกเกิดอย่างเงดำได้หมดแหละ ว, วิบากก็เลยดําด้วยให้ผลไม่ดี ในโลกนี้น่ากลัวที่สุดก็ความคิดเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเอ๋ความคิดที่เป็นเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยทำอย่างไรความคิดเหล่านี้จึงจักบริสุทธิ์เห็นไหมทำอย่างไรความคิดเราจึงจักบริสุทธิ์จากบาปอากุศลทั้งหลายก็อาศัยกุศลศีลเป็นต้นนั่นแหละที่จะชําระจิตได้จริงๆถ้าไม่อาศัยศีลสมาธิและปัญญานี้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งสามารถชําระจิตเหล่านี้ได้ ห, ไดหรอกเห็นไหม เพราะว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องฝึกหัดจิตจริงๆจิตนั้นถ้าไม่ได้รับการฝึกด้วยคุณมีศีลเป็นต้นแล้วนะไม่สามารถที่จะพ้นจากภัยได้หรอกนี่เราก็รู้แล้วว่าศีลคืออะไรใช่ไหมศีลคื อ, อเจตนาคือศีลเนาะสองเจตสิก ค, คือศีลสามสังวรคือศีลสี่อวีติกมะคือศีล เอาตัวศีลสี่อย่างนี่แหละมาฝึกจิตใครที่สามารถเอาธรรมะทั้งสี่ประการเหล่านี้ลงในจิตได้เมื่อไหรให้จิตเป็นไปกับธรรมะทั้งสี่อย่างได้เมื่อไร่คนนั้นเรียกว่าคนมีศีลคนมีศีลก็มีธรรมะสี่อย่างนี่นะมีเจตนาเจตนา ท, ที่ที่ทำอะไรเจตนาที่งดเว้นจากความชั่วทางกายและทางวาจาเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจ ประพฤติวัดปฏิบัตินะเจตสิกอ่ะเจตสิกเป็นศีลก็คือวีรตีสนะความงดเว้นจากความชั่วทางกายความงดเว้นจากความชั่วทางวาจาความงดเว้นจากอาชีพที่ไม่สุจริตแล้วก็อนนาพิชานะความไม่โลภความไม่โกรธอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐิเหล่านี้ก็เป็นศีลเป็นเจตสิกศีล ส่วนสังวรศีลมีอยู่ห้าประการปาติโมฆขสังวรหรือศีลสังวรนั่นเองทีนี้ต่อไปก็คือสติสังวรนะสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปกับอกุศลเรียกว่าสติสังวรแล้วก็ญาณสังวรก็คือเรื่องของปัญญานั่นเองสติเป็นเครื่องกั้นกระแสใช่ไหม กระแสเหล่านั้นอันบุคคลจะพึงละได้เด็ดขาดด้วยปัญญาปัญญานี้จึงจะตัดขาดกระแสทั้งห้าอย่างได้ทำไมนะกระแสห้าอย่างมีอะไรบ้างกระแสวิชานะกระแสตันหาก่อนอ่าตันหากระแสทุจริตกระแสกิเลสกระแสทิฏฐิและกระแสของอวิชาโอไปนั่งคิดตั้งหลายครั้งเาจะจำได้นะห้าคำนั้นจำยากไนะ กระแสเรานี้นี่แหละที่จะถูกตัดขาดได้จริงๆก็ต้องอาศัยปัญญาเออแล้วปัญญาพิจารณายัางไงรจรึงจะตัดได้ปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาผู้ที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมผู้ที่เห็นเหตุเกิดความดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกแข่งอะไร ภาษายตนาหกอุปาทานขันห้ามหาภูตรูปสี่ผู้ที่พิจารณาเห็นอริยสัจสี่ประการหรือผู้ที่พิจารณาเห็นอาสะวะอย่างอาสะวะถึงอริยสัจได้หรือว่าผู้ที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาผู้ที่มีปัญญาอย่างถึงธรรมะเหล่านี้ก็สามารถตัดกระแสหอย่างเหล่านี้ได้ ต่อไปก็ขันติสังวร น, นะขันติสังวรก็คือมีความอดทนไม่เครียดไม่งุดหงิดไม่โกรธยามหนาวยามร้อนเมื่อสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือกลานทั้งหลายเจ็บป่วยไข้ก็ไม่ทุรนทุรายไม่กะวนกวายทางใจบอกงั้นนะพุทธเจ้าบอกว่าพึงทำศึกษาว่ากายนี้กวนกวายนะแต่จักไม่ให้จิตกวนกวายนะ เอาถามว่าอย่างไรชื่อว่ามีกายกระวนกระวายยังไงกายชื่อว่ากระวนกระวายและจิตกระวนกระวายด้วยกขาบอกว่าคนที่มีกายมีจิตกระวนกระวายก็คือคนที่ตามเห็นขันห้าโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นสกายะทิธิเกิดขึ้นยินดีในขันห้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่มีกายกระวนกระวายและมีใจกระวนกระวายพระรยเจ้าท่านก็มีกายกระวนกระวายแต่จิตท่านไม่กระวนกระวาย เพราะพระริยเจ้าทั้งหลายไม่เห็นขันห้าโดยความเป็นอัตตาท่านเห็นขันห้าตามความเป็นจริงถามว่าขันห้ามันจริงเนี่ยจริงยังไงขันห้านี้จริงไหมจริงถามว่าความจริงของขันห้าเป็นอย่างไรนะความจริงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจริงอันนี้เนี่ยนะเป็นสัจจะใช่ไหมอุปาทานขันห้าเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสัจจะไหนทุกขสัจจริงนะแต่จริงแบบ นนะคำว่าทุกข์หมายคำว่ามีแล้วก็ไม่มี น, นะมีแล้วก็หมดไปมันขันห้าไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนอะไรหรอกมันขันห้าจึงเป็ น, เ ป, นเป็นตัวทุกข์ไม่อยากเชื่อเลยนะที่เราคิดคิดอยู่นี่มันตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะอุตสาหประคับประคองประคบประงมเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหลอเลี้ยงทุกข์ทั้งนั้นเลยอ่ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนะ คือครัว่าไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าเจ็บป่วยใช่ไหมทุกข์แปลว่าไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงบางอย่างก็มีความเจ็บป่วยอยู่ในนั้นด้วยขันติสังวร น, นั้นก็เน้นไปที่ความไม่โกรธแล้วก็สามารถเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งฆ่าชีวิตเราไปได้ก็ไม่หงุดหงิดไม่โกรธสามารถเจริญกุศลธรรมต่อไปได้ แต่ว่าเออแน่จริงก็ต้องไปตากแดดสิดูสิจะทนได้หรื อ, อยังเขาบอกงัางงาน้นเขาไม่มีใครทําอย่างนั้นหรอกเห็นไหมเพราะเขารู้เรื่องส ป, ปายะตีนะเขาก็อยากดูว่าสุขภาพเราดีจริงอ่ะนะไปใกล้ๆคนติดเชื้อโรคสิว่ากันดูสิว่าสุขภาพเราดีจริงหรือเปล่าเขาามีใครทําอย่างนี้ไหมคนฉลาดเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกก็บอกว่าถ้าใจถ้าใจ คุณแน่จริงอ่ะคุณไปอยู่ในบ่อลิถ้าอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วคุณไม่เสียการพนันเลยเนี่ยแสดงว่าเก่งมากโอ้เขาไม่มีใครเสี่ยงแบบนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอดทนนี่ก็โอ้ยฉันอยากจะดูซิว่าฉันมีความอดทนหรือยังนะไปให้เขาด่าเลยดูที่จะโกรธหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องอถ้าอยากเจ็บเมื่อไหร่ก็เอาไม้มาเคาะนักแข่งดูว่ายังโกรธหรือเปล่านะถ้าอยากจะลองก็ลองเฉเพาะตัวก็พอไม่ต้องไปทดลองอะไรที่มันวิจิตพิสดารอะไรหรอก ไม่มีนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปทดลองในสิ่งที่ไม่ควรทดลองขนาดพระพิสุพระองค์ยังสอนว่าอาสะวะบางอย่างละได้ด้วยการละเวนเนี่ยนะต้องเวนนะเช่นเว้นจากอกโครจรเป็นต้นเว้นจากพวกช้างดุพวกสัตว์ทั้งหลายดุพวกถนนที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ให้เวน้นเพราะว่าอาสะวะและความเร่าร้อนบางอย่างก็เกิดขึ้นจากการไม่ละเวน้นในที่ที่ควรละเว้นนั่นเอง ขันตีสังวรนี่ก็ร่างโอ้ยแน่จริงก็ต้องทนได้ในทุกสภาพไปหาอดหาทนเอาฝนตกก็อย่าไปนอนอยู่ในบ้านเลยจะตากแดดนะตากฝนนั่นะจะดูด้ว่าทนได้หรือยังคือคําว่าทนนี่หมายความว่าจะต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วนะซึ่งหลีกเลี่ยงอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้แล้วอย่างเช่นเจ็บป่วยเนี่ยนะซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันป่วยแล้วอะทำยังไงเมื่อป่วยอย่างนี้แล้วต้องทําใจอย่างเดียว แต่ตอนที่ยังไม่ป่วยนะเออดูสิฉันจะทําตัวให้มันป่วยจะได้ลองรู้ว่าทนได้หรือยังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมา้านะถ้าถ้าบางอย่างนี่คนบางคนนี่เข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องก็จะเป็นลักษณะนั้นกลายเป็นว่าชอบลองไปทุกเรื่องเลยนะถ้าพลาดมาใครรับผิดชอบอะไรกันี้ยิ <c oughs> ่งพราเนี่ยลองไม่ได้นะลองก็เสียหายมากห้ามลองงั้นแล้วก็ไอสังวรบางอย่างละได้ด้วยการด้วยความเพียรนะ วิริยะสังวร อ, อ่าววิริยะสังวร น, นั้นก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นปติโมขสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรผู้ใดที่เอาสังวรทั้งห้าใส่ใส่ลงไปในจิตได้คนนั้นเรียกว่าคนที่มีวินัยของพระอริยะนะเมื่อธรรมะทั้งห้าอย่างเกิดในจิตของบุคคลใดคนนั้นเรียกว่าได้รับการฝึกจากพระอริยะ เนี่ยนะฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษมีวินัยของสัตว์บุรุษมีวินัยของพระอริยะพวกนั้นจะไม่ใช่อันธปุตชนแต่ถ้าหากว่าวินัยทั้ง5อย่างเนี่ยนะสังวรทั้ง5อย่างไม่มีอยู่ในจิตของบุคคลใดขอให้รู้เธอว่านั่นแหละบอดบริสุทธิ์เลยนะเพราะว่าถูกความมืดเขื่อวิชาเนี่ยปกคลุมไปแล้วเพราะไม่มีวินัยทั้ง5้าอย่างเราดูนะว่าวันนี้วินัยข้อไหนเราเกิดขึ้นในใจเราบ่อยที่สุด สังวรข้อไหนเกิดในใจบ่อยที่สุดหนึ่งศีลสังวร น, นะคิดถึงเรื่องศีลกี่ครั้งแล้วนั่นแหละเท่านั้นแหละสังวรของเรามีอยู่เท่านั้นแหละต่อไปสติสังวรตามองเห็นใจไม่เป็นบาปนะไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเป็นต้นเนี่ยกี่ครั้งก็ทบทวนดูนะคือจะได้แยกออกไงก็บอกว่าแยกเข้าสารกับขี้หนูได้เม็ดมันคล้า ย, ายกันนะั่นแหละเพราะฉะนั้นลองแยกสภาพจิตดูที่ว่าจิตเมื่อไหร่เป็นไปกับกุศลศีลบ้างเมื่อไหร่ไม่เป็นไปกับ กุศลศีลถ้าแยกถูกแล้วก็จะได้เลี้ยงถูกใช่ไหมคนไม่รู้จักวัรักษาวัวไม่ได้คนไม่รู้จกววักศีล ก, ก็รักษาศีลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในสังวรทั้งห้าอย่างก็เอาสังวรห้านี่แหละมาเป็นเครื่องตรวจสอบจิตของเรานะว่าออสภาพจิตของเราเป็นไปกับสังวรห้านี้บ่อยไหมถ้าไม่บ่อยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสลดสังเวทใจเธอว่งงางั้นควรที่จะสังเวชเพราะงั้นว่า เ, ออเราไม่ได้ดีแล้วหนอ เราได้ศึกษาในพระศาสนาของพระศาสดาผู้ทรงคุณอันขนาดนี้กุศลธรรมเหล่านี้ยังไม่เจริญงอกงามในเราเอานนะให้สังเวทใจแล้วก็สมาทานเพื่อประพฤติกุศลธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอันนะัชัดอันนี้เนี่ยนะชัดคือตันหาเป็นต้นนะถ้าสังวรเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วโอ้โหสงครามครั้งนี้ไม่รู้ใครจะชนะนะอวิชชาชนะอีเล่นะยอมแพ้ตั้งกระต้นเลยโอย้ยังไม่ทันรบเลยยอมแพ้และ ไม่ได้ไม่ได้เสียหรือเสียอะไรนะเราสิทธิ์มีอาจารย์นะโอ้คำสอนก็ยังมีอยู่ถ้าอริยสงค์ที่ท่านปฏิบัติได้ดิบได้ดีก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ถึงท่านเป็นสารณะอยู่แล้วอย่าง น, น้อยที่สุดก็ขอเกาะท่านก่อนนะนะอากุศลอย่างอื่นมันละยังไม่ได้ก็ขอเจริญอนุสติก่อนก็ยังดีนะนี่ก็เป็นศีลอนุสตินะส่วนศีลประที่สี่ก็คือ อวิติกมะอวิติกมะอวิติกมะก็เป็นสีนหมายถึงจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลที่เป็นเหตุไม่ให้ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาเรียกว่าอาวิติกมะสีนนะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าทำความเข้าใจในคำว่าสีทั้งสี่อย่างให้ดีแล้วสงเคราะห์กุศลสีเหล่านี้ลงในจิตบ่อยๆนะ ถ้ากุศลเหล่านี้เกิดกี่ครั้งนั่นแหละกุศลเกิดเท่านั้นแหละกุศลศีลเนี่ยเกิดเท่านั้นแหละกุศลศีลเหล่านั้นแหะเป็นเหตุแห่งสุขคติก็สังเกตดูว่าสุขคติเปอร์เซ็นต์เรามากหรือน้อยก็ให้เอาธรรมะห้าสี่อย่างเนี่ยอย่างลงในจิตแล้วก็สามารถเป็นเทพพยากรณ์ได้แล้วว่าพบหน้าสมควรจะเกิดที่ไหนันะ ไ, ไม่ใช่โอ้เว่ยหลอกๆตัวเองไว้วันหนึ่งไม่ใช่นะ น, นี้ไม่ใช่เรื่องหลอกแน่นอน เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปเกิดในอบายแล้วไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวแล้วถ้าไปเกิดเป็นปลาแล้วก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยแม่น่าเสียดายในชาติที่แล้วไงไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยลืมเลยทีนี้ในศีลทั้งหมดเนี่ยนะอัฏาะข้องเข้าหมายคขาว่าไงคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยน ะ, ะเข้าเป็นศีลเนี่ยเามีความหมายว่าอย่างไรเขาจึงเป็นศีล เพราะมีความหมายว่าเขาเป็นศีละนะศีละนะก็คือเขาตั้งไว้ด้วยดีซึ่งตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายและวาจาที่เรียกว่าสมาทานังเนี่ยนะหรือว่าความสํารวมกายกรรมวจีกรรมนั่นแหละอันนี้ลักษณะอย่างหนึ่งของคําว่าศีละนะหรือเรียกว่าศีละนะหรืออัฏฐะของศีลนั่นเองเนี่ยนะคือตั้งไว้ด้วยดีบาลีใช้คําว่าสมาทานังนะทำให้กาย วาจาไม่ล่วงละเมิดกายวาจาไม่กระจัดกระจายเห็นไมไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยบาปอากุศลเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีกายกรรมเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นไปแล้วด้วยอำนาจความเป็นผู้ทุศีลก็มีอันนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และความทุกมาให้ทั้งในปัจจุบันและในการต่อไปนะคนแบบนี้ชื่อว่า ไม่ตั้งไว้ด้วยดีใช่ไหมพอให้กายกรรมวจีกรรมเป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตชื่อว่าตั้งดีไหมชื่อว่าตั้งไว้ไม่ดีเมื่อตั้งไว้ไม่ดีเนี่ยมีผลที่มีโทษอย่างมากมายมหาศาลส่วนคําว่าตั้งไว้ด้วยดีก็คือตั้งกายวาจาเอาไว้กับศีลเนี่ยนะตั้งกายกรรมตั้งวจีกรรมให้เป็นไปกับศีล เพราะฉะนั้นกายกรรมเหล่านี้ก็เลยไม่เกลือกล่อนกลนไม่จุนจ้านอะไรง้ยไปกับบาปไปกับอกุศลนไก็เกิดการสำรวมทางกายและทางวาจาเพราะฉะนั้นไอความสำรวมทางกายทางวาจาแบบนี้นี่แหละเหมือนกับผู้ที่สำรวมทางตาไม่ใช่ตาแบบตาตาอะไรนะตาอะไรที่มันล็อกแรลกๆกอรอ่ะนตาพระพิสุต้องไม่เป็นเช่นนั้น คนที่เจริญกุศลศีลดีก็จะเป็นลักษณะ น, นะไม่ใช่โหกเครียกว่ามองลูกเล็กลูกเล็กลกเ ล, ก, ล, ก, ลกอยู่นั่นแหละก็ <c oughs> บอกว่าการที่พี่กวาดสายตาแต่ละครั้งก็บง่งบอกถึงสภาพจิตได้เหมือนกันนะเพราะว่าถึงหลับหลับถึงหลับนะแต่เขาบอกว่าตาก็ยังไม่ใช่หลับง่ายๆเหมือนั้นแต่เพราะฉะนั้นตานี่มันเป็นหน้าต่างของหัวใจเหมือนกันมันเป็นจิตตชรูปซึ่งมันปกติดค่อนข้างยากนะนี สภาพจิตเป็นเช่นใดตาก็จะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นจิตแตชัรูปที่มันเห็นง่ายที่สุดเลยอย่างั้นเพราะนั้นการสํารวมตาเนี่ยนะก็เป็นลักษณะของคนมีศีลอย่างหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าลักษณะของศีลอย่างหนึ่งเพราะนั้นคําว่าศีลที่หมายคือว่าตั้งไว้ด้วยดีก็คือสํารวมอย่างสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมแขนสํารวมขาเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นนั่งก็โหยเคยเรียกว่าอะไรนะเคยเห็นนะสั่นลุกๆุกลึกๆไปงั้นนะทั้งสัน่นมือสั่นเท้าเป็นต้นก็คือแสดงว่าสภาพจิตในตอนนั้นเนี่ยวันไหวพอสมควรเหมนกันแต่จึงอยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะลักษณะนั้นนะนะท่านลักษณะของศีลอย่างหนึ่งก็คือตั้งไว้ด้วยดีสำรวมดีซึ่งกายและวาจาแล้วก็ศีละนะเนี่ยนะความหมายของศีล ทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยนะลักษณะหรืออัตถะของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปทรงไว้หรือไปรองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงหวังกันเถอะหรือว่าคำว่าทรงไว้ก็คือตั้งมั่นอันนะเป็นมูลเหตุที่ทำให้กุศลธรรมชั้นสูงทั้งหลายสามารถเกิดขึ้นได้กุศลธรรมชั้นสูงทั้งหลายก็คืออะไรบ้าง นะสติปทานเป็นต้นนั่นแหละสติปทาน4สัมมาปทาน4ีอิทธิบาสีอินทรีย์าพละ5โพชงเจ็อริยมรตมีองค์8พวกฌานอภิญญาสมาธิสมาบัติตวิโมกนะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องอาศัยศีนั่นแหละเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมเป็นที่รองรับถ้าไม่มีกุศลธรรมเหล่านี้รองรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษา ธรรมะเหล่านั้นได้เห็นไหมเพราะศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยถ้าหากว่าคนที่มีกุศลธรรมคือศีลก็สามารถที่จะเจริญชาญเป็นต้นไว้ได้แต่ถ้าหากว่าศีลวิบัติเมื่อไหร่คุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่อยู่เลยนะเพราะว่าถ้าศีลเสียเมื่อไหร่นี่แสดงว่าคุณธรรมชั้นสูงนี่หายไปนานแล้วล่ะ